หรือขอฐานสามเอสักสองก้อนมาเปลี่ยนสองเอนะมาเปลี่ยนไอเซ็นเซอร์ใหม่ฐานมันหมด <c oughs> ย, ยมจิวิชีพิสูนิชาวญี่ปุ่นเดินทางมาถึงที่เชียงคำหกโมงเดี๋ยวออกไปรับด้วยอัยอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาถึงอำเภอจุนอยู่ขอโทรมาเมื่อกี้ ถึงที่เชียงคำที่คันคงเชียงคำหกวงเช้านี้เอาไปรับเลยตอนสายสายโยมโดมอีกคนหนึ่งโชว์มาดูมาด้วยกันหนระือบัตทัวร์ก็อแต่ละวันก็มีสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันนะเล็กาหาไม่ได้เดี๋ยวให้โยมจิซื้อมาด้วยก็ได้หานสองเอ ในแต่ละวันมีสิ่งที่เราได้ศึกษารวมกันนะช่วงเชา้นะชาเช้าวันนี้เช้าเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเรื่องสัมปชัญญะสี่ก็คิดว่าหลายท่านจะเอาไปทำลองดูเรารายงานโฮเมยียไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับก็อ่านเฉพาะปัญหา ช่วงเย็นเป็นช่วงของการตอบปัญหาที่ถามมาก็เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะแก้ไขเวลาเราปฏิบัติเราไม่ได้ไปสอบอารมณ์กันทุกคนแต่และคนก็สะท้อนข้อสงสัยแล้วข้อปฏิบัติลงในสมุดพกเพราะบางทีก็ไปจะไปนั่งสอบอารมณ์กันก็เวลาไม่พอนะครับเพราะหลายคน วิธีแก้ก็คือแล้วทราบปัญหาของทุกท่านด้วยกันเขียนลงในสมุดพกเพื่อเราจะได้สื่อความหมายตรงกันว่าเรามาที่นี่เราได้ประโยชน์อะไรบ้างเรามีการพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมช่วงเช้าทามปกติที่สา ม, มครึ่งผมมาตีละรังแต่บางวันดอกเตอร์ท่าน ขยันมาตีก่อนตอนเช้าก็เลยตีผิดจังหวะของจริงเป็นหน้าที่มอบให้หลวงพ่อลักตีบางวันดรเจอท่านก็ลืมนะมาตีก่อนใี่ท่างที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านนะหน้าที่ของท่านให้ครูบารักลองตีดูเผื่อว่าพอคนอยู่ไกลๆจะได้ยินถ้าตีเดี๋ยวเดียวคนไกลๆ ก, ก็ไม่ได้ยินเพราะนั้นก็ให้หลวงหลวงตาลักจัดการ ถ้าใครเห็นด็อตอร์เดินเข้าไปที่ละครังก็บอกหน่อยว่าไม่ใช่หน้าที่ <c oughs> เพราลืมอยูเลยนะสองครั้งละเออเราบาก็สวดสว ด, สวดทํดาวัตเช้าถ้าสวดอันใดนหนึ่งแล้วก็จบจะไปสวดยาวพราะเรามีเวลาสั้นถ้าสวดทํดามวัตเช้าจบก็ไม่ต้องสติประฐานถ้าสวดสติปัฏฐานก็ไม่ต้องสวดทํดามวัตเช้า กีละปริณีผู้ทาปิที่ผมทําตัวอย่างก็ให้สวดได้ทั้งพระทั้งโยมพร้อมกันไปเลยไม่ต้องเสียเวลาสองรอบเราจะได้ประหยัดเวลา mm hmm. หรือบางทีเราสวดของพระโยมก็ตามพระไปมันเรื่องสวดเรไม่ต้องไปแยกกันเราสวดของโยมพระก็ตามโยมไปถ้าสวดของพระโยมก็ตามพระมาเท่านั้นเองรอบเดียวจบไม่ต้องสองสารอบมันซ้ําซ้อนกันนะ mm hmm. เราต้องรู้จักบริหารจัดการเพราะว่าการ ข้าคายคือการฝึกการบริหารจัดการเพื่อประหยัดกําลังประหยัดเวลาประหยัดสิ่งของและที่สําคัญคือประหยัดพลังงานเสียงถ้าไม่จําเป็นไม่พูดกันโดยเฉพาะทางฝ่ายโยมยังแก้ไขยังไม่ได้ยังพูดคุยกันดังอยู่แต่พระเราก็ก็บางบางท่านยังคนยังไม่รู้สึกตัวนะบางท่านก็เริ่มรู้สึกแล้ว